กุโทสวัสดีค่ะท่านฝันที่เคารพคะนี่คือรายการสังสรรค์สนทนามาอีกแล้วนะคะรับ น้าศการนะท่านคะเทพานค่ะก็เป็นอีกวันนึงที่อยากจะกราบเรียนถามท่านๆท่านก็ต้องการทราบอ่ะ 27 ตุลาคม 27 ตุลาคมวัน ค่ะก็เดือนหน้านี้เองนะคะอีกไม่นานก็จะถึงแล้วค่ะนี่ก็ก็กลางอืมมีค่ะก็ก็กราบเรียนให้ เรื่องของธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็บางทีได้ฟังคนรุ่นใหม่อ่ะนะ ที่จําเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนให้ไปทันโลกอืมต้องต้องทํา เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นสมัยปัจจุบันนี้เขาไม่ได้ทํานากันมากเหมือนสมัยก่อนในถ้าเราจะ 1 ค่ะ นะคือ 5 เรื่องอายตนะเท่านี้เหมือนเดิมนะส่วนที่เร 2 <คะ? S 1> เรที่เช่นเดี๋ยวนี้เรามีวิทยุเราอะไรๆๆไปพร้อมๆกันได้สมัยก่อน <คะ? S 1> แต่เท่ากับว่าเนื้อหานั้นเท่าใดใช่ๆเพียงแต่ว่าเพื่อให้เข้าใจกันง่ายก็อาจจะอ่าใช้ เอ่อภาษาวัยรุ่นเค้าคุยกันก็เค้าก็มีลักษณะนี้ถึงแม้จะๆนะคะ <laughs> อ่ายิ่งถ้าเป็นดาราอ่าของซึ่งเรื่องก็ทึ่งมากนะๆเนี่ยนั้น คลุกๆเนี่ยค่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจได้ถึงแม้ เอ่อดูก่อนอะไรโอ้มันไปหมดนะพอเออมันมันก็เก็ทได้นะคือทําให้ว่าเอ่อหากเราๆซึ่ง เป็นระเบียบแบบแผนที่เราเชื่อว่าอตรงเนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าพูดยากเกินกว่าที่พวกเราอันนี้ดิฉันนับมาถึง<ท> เมื่อดีพระเจ้าอธิบายนู่นนี่นั่นเอายกไว้ก่อนแต่เราต้องทําความใจกายของเราใจของเรานะผ่านได้ผ่านทางคําสอนพระเจ้าเนี่ยได้เอ่อคือ ก็ได้เจอน้องที่เขาเป็นช่างตัดผมอืมซึ่งเขาก็ๆเรียนจบต่างประเทศด้วยอืมอ่าเพื่อนเนี้ยเราคุยกันบ่อยๆ เขาจะเห็นแตกต่างไปจากเมื่อก่อนเช่นอ่าเมื่อก่อนอาจจะเห็นแค่มุมดีตอนนี้เห็นว่าในดี แผนที่จะมีความทุกข์กับการกวาดใบไม้บวกจิตนึกไปถึงพระกวาดใบไม้แล้วก็อืมเค้าบอก เท่าทันกับการมีสติอยู่กับการกวาด ค่ะเอ่อข้อที่ 2 พอเค้ามีสติอยู่กับงานที่ทําเนี่ยทําๆมันไม่ใช่เรื่อง นะทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าในกิจๆซักผ้าๆไม่ยังไงรถติดว่าอืมนั่น ทีนี้เอ่อดิฉันกําลังจะเลยอืมนั่นเป็นเพราะเพราะอะไรคะ มันจมปลักอยู่ในความทุกข์นั้นในบุคคลนั้นก็จะร่ําให้คร่ําครวญบ้างหรือไม่ก็ทุบอกหรือไม่ก็กราฟ 2 อย่างหรือหรืออย 2 ก็คือ 1 หรือ 2 ทางนั้น 1 หรือ 2 ทางใน บางคนที่เค้าสามารถคิดได้ระลึกได้เนี่ยคือเค้าก็อืมเพียงแต่ว่าจะใช่สรุปอย่าง แล้วใครสักคนถึงจะเห็นได้ยังไงอะไรค่ะเอ่อคุณยอมถือว่าไงก็ต้องมีความทุกข์เกิดขึ้นก่อนจริงๆมัน แต่ทำไมเราไม่เห็นว่าเป็นความๆล่ะแต่เราไม่เห็นทางออกสมาธินะเราจึงต้องมีสติมีสมาธิเราถึงจะเห็นทางในๆ ในนั้นแหละมีธรรมะอยู่แน่นอนนะคะแล้วก็สมมุติช่างตัดผมเนี่ยเขาต้องตัดผมอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยการปฏิบัติธรรมเนี่ย เพราะฉะนั้นถามว่าเวลาไหนบ้างที่เราโอ้มันตลอดเวลาอ่าแต่ที่นี้หมายถึงการที่อายตนะหรือถ้าพูดอวัยวะ 5, วว5 6 อย่างเนี่ยนะคะ วันนึงตาท่านมองอะไรนี่นับไม่ถ้วนหูได้ยินอะไรใช่มั้ยคะ อ่ะก็คือให้เรามีสตินะข้อที่ใหใหให 2 ให้เราเห็นตามที่เป็นจริงก็ได้ทุกๆเดือน เป็นคอสคอสไปบางครั้งก็เป็นคอสสําหรับผู้ใหม่บางครั้งก็เป็นคอสสําหรับผู้เก่านะคะแต่ว่าโอเค